โฉดได้ฟังดังนั้นก็ทาเป็นทอดใจใหญ่โจมงเต้านีวิธีการของกันอยู่ละทำเป็นถอนใจเฮือกเลยทีเดียวแล้วก็พูดว่าอันธรรมดาคนเรานี้แต่เดิมคิดว่าจะหาแต่หนึ่งครั้งได้หนึ่งแล้วก็คิดกําเริกจะหาสองต่อไปอีกนี่ก็เพราะความโล เออแต่ในเมืองฮันตงนี่แล้วมิหนำจะซ้ําไปตีเอาเมืองเสฉวนซึ่งเป็นทางอันกังดานอีกเล่าโจมเมงเ ต, ต่ทําทําเป็นพูกจาเช่นนี้เรียกว่าไม่มีความหวดโมโทสันไม่ปรารถนาจะย่ำยีเกล้าทาการใดๆต่อใครต่อไปละเล่าหัวนั้นเล่าหัวก็จึงพูดว่าที่ซูมาอี้ว่าแล้วท้งเนี้ถูกต้องนะด้วยว่ากว่าจะยก มาได้ถึงหน้าที่นี้กันบาลแสนเข็นอยู่และก็ใกล้เสฉวนราชนิและดังกล่าวแล้วจิตสุมาอี้กล่าวว่าเสฉวนก็ยังไม่ปกติถ้าแม้นท่านละชาไว้คงเบ่งผู้มีสติปัญญากล้าแข็งนั้นก็จะคิดอ่านเกรีย้ยกล่อมรัศดรชาเมืองเสฉวนให้มีใจปกติยินยอมพร้อมด้วยเหล่าปี ทั้งควรอูเตียวหุยจูร่งฐานเอกทั้งปวงก็มีอยู่เป็นอันมากถ้าเราปีตั้งตัวได้มัันคงเข้มแข็งขึ้นแล้วท่านจะยกไปเตียวเมืองเสฉวนนั้นเองจะขัดสนเหล่าหัวเป็นคนจริง่มาพูดขึ้นเช่นนี้แต่ความจริงมันอยู่ในใจโจโฉอย่างแท้เหล่าปีเป็นหนามแหลมที่เน็บอกอยู่ตลอดเวลา แต่โจโฉก็ยังตอบว่าเรายกกองทัพมาทางนี้ขนทางกันดานนะประการนี้เราก็ได้มือทำปุ๋งแล้วและที่สำคัญก็คือถ้าแกลท้ถ า, านทั้งปูในอิดโรยนะซึ่งจะยกไปตีเอาเมืองเสฉวนนั้นเรายังไม่เห็นด้วยโจโฉ ว, ว่าเชนนี้ยังไม่เห็นด้วยแต่โจโฉก็ให้ตั้งกอง บัมรุทัตแก่ะทะหารอยู่ในเมืองปาต้งน่นและยังไม่ได้ยกกลับเมืองหูโตคราวน้กล่าวฝ่ายอนณาประชารัฐดอนในเมืองเสชวนประหุเมืองขึ้นทั้งปวงนั้นก็รู้กิติสาพละว่ากองทัพโจโฉยกมาตีเมืองหันตงหรือ ตังฉวนได้สําเร็จแล้วต่างคนต่างก็ตกใจสะดุ้งสะเทือนหวาดกลัวอํานาจของโจโฉ ว, ว่าจะต้องยกกองทัพหลวงมาตีแดนเมืองเซเฉวนนี้เป็นแน่เหล่าปีแจ้งวารัศฎร น, น้ําปวงสะดุ้งตกใจดังนั้นก็ปรึกษาคองเ่งว่ะราชฎรชาวเมืองเราหวาดกลัวอำนาจโจโฉยิ่งนะเบงวะโจโฉจะยกกองทัพมาทำมันตรายเนี่ย นจะคิดประการใดของเบ่งของเบ่งก็จริงว่าข้อนี้ขอท่านจะได้วิตกเลยเข้าไเจ้าจะคิดอูบามไมิให้โจโฉยกมาตำมันตรายถึงเมืองเราจะให้โจโฉยกทัพกลับไปเมืองหูโตแต่โดยดีของเบ่งกล่าวดังนี้ดูเป็นคำพูดทิ่งง่ายๆหรือเกินห้าวปีก็ถามว่าท่านจะทำประการใด ของเบ่งก็อัฐาที่มาที่เดียวว่าโจโฉนั้นน่ะเกรงอยู่ก็แต่ท่านกับสุนกวนนี่จึงให้แ ห, หวตด้นเตียวเลียวไปอยู่รักษาเมืองหักป่าอันเป็นเมืองสำคัญของกลางต่างนู่นและเโ่โจโฉยกทัพมาตีเมืองหันตงเนี่ยก็เอาแ ห, าหวตดุ้นมาด้วย ขอให้แตงผู้มีสติปัญญาไปว่ากล่าวแกสุนกวนว่าท่านจะยกเมืองกังแหเมืองเตียงสาเมืองเอียงให้แล้วก็ยุยงให้สุนกวนยกมาตีเมืองหักปา่าโจโฉรู้เข้าเท่านี้แหละก็จะต้องเป็นกังวลหลังในที่สุดก็จะต้องเลิกทะกลับไปช่วยเมืองหักป่าเป็นมั่นคงนี่คงเป็นวางแผ น, นั้นลึกซึ่งให้ชนิด ราปีได้ฟังก็จริงว่าแล้วท่านจะเห็นผู้ใดที่จะถือหนังสือไปว่ากล่าวกับสุ่งกวนได้อีเจียอีเจียอีเจียผู้นี้เป็นผู้ติ่จงรักภักดีต่อราปีมากติดตามมาตั้งแต่เมื่อแรกเลยทีเดียวละ่ะอีเจียก็จริงว่าท้านเจ้าจะขออาสาถือหนังสือไปเองเราปีก็แต่งหนังสือให้กับอีเจียแล้วก็สั่งว่าเมื่อทําไปแล้ว ไปถึงเกงจิ๋วก็จงเข้าบอกเนื้อความแก่กวนอูให้แจ้งก่อนนี่ให้บอกแก่กวนอูซะก่อนว่าทําแผนนี้ว่าจะยกกังแห่เตีงสาฮีเอียงให้แก่สุนควนเนี่อเจียก็รับคำแล้วก็รับมึังสือนั้นมาแล้วก็ลารอบปีออกเดินทางจากเสฉวนไปเมืองเกงจิ๋วเมื่ออิเจีย ถึงยิงเก่งจิ๋วแล้วก็เข้าไปหาโวนอูบอกเงื่อนความแก่กกนอูอว่าโจโจยกทัพไปรบเมืองฮันตงบัดนี้เราเปีย๊ยเข้าไปเจ้าทิงซื้อให้แก่สิน่นกวนว่าจะยกเมืองสามตำบลให้แก่สุน่นกวนบอกกล่าวกันก่อนแล้วก็ลาโกนอูออกเดินทางจากเก่งจิ๋วไปเมืองกลางตังเมื่อไปถึงกงังตางเราก็บอกทหารให้เขาไปแจ้งเงื่อนความแก่สิน่นกวนว่าเราปีใช้ใเรามามีข้อธุระราชการจะแจ้ง ทหารก็เข้าไปบอกแกซึ่งกวนตามถ้อยคำมันสึ่งกวนได้แจ้งดังนั้นก็จึงเรียกหาตัวอีเจียมาแล้วก็ถามว่าเล่าปีใช้ท่านมานี้ด้วยธุระเหตุสิ่งใดอีเจียก็หนังสือให้แกซึ่งกวนดูแล้วก็บอกว่าเมื่อจู ก, กัดกินไปว่ากล่าวด้วยรื่องเมืองเกงจิวนั้นเล่าปีะก็รับปากว่าจะให้สามเมืองนั้นแต่ก็เป็นเท็จไป นี่อีเจียก็ว่าอย่างนี้คือไม่สําเร็จไม่เป็นผลเป็นเท็จปะแต่บักเนี้ยเราปีนะจะคืนเมืองกลังแฮเมืองเตียงสามเมืองหุยเอียงให้ก่อนก็จึงให้หนังสือมาแก่ท่านเป็นสําคัญดังเนี้อันเมืองเก่งจิว๋วเมืองเล็งเหลงเมืองลำกุนนั้นก็จะคืนให้ท่านแต่ปิดขัดอยู่ก็เพราะว่าโจโฉยกกองทัพมาตีเมืองหันตงอ้วนอูยังไม่มีที่อาศัยก็จําต้องยืม เก่งจิ้วเหลงเหลงลำกลุ่มไว้ก่อนอันยิงหักป่าสิโจโฉแบ่งคนนี่มาอยู่รักษานั้นทหารก็เบาวบางขอให้ท่านยกองทัพไปตีเมืองหักป่าโจโฉก็จะเลิกทัพกลับมาช่วยเมืองหักปาเหล่าปีก็จะยกมาตีเมืองหันตงแม้นได้หันตงแล้วจะได้ใกวนอูไปอยู่เมืองหันตง และเก่งจิ๋วเล็งแหลงลำกุนนั้นก็จะยกให้แก่ท่านด้วยนี่อีเจียมากล่าวเช่นนี้นี่เป็นความเมืองอันสำำําคัญและเรื่องของความเมืองเนี่ยพูดก็พูดไปยกก็ยกไปให้ก็ให้ไปจริงเท็จประการใดนั้นก็ไว้ว่ากันทีหลัง hmm. เอาเขาว่ากันตามนี้แ่ะฝ่ายซึ่งคุณเล็กฟังชีเป็นิสือออกการดูเป็นใจความต้องตรงกันตามที่อีเจียว่าเนี่ย ก็จึงให้อีเจียอยู่นะ่ะโกงกวนคือที่ตอนรับแขดเมือนก่อนและสุ่มกวนก็หนังสือที่เราปี่ให้มานั้นเข้าไปปรึกษาบัณดาคุ้นนางทั้งปวงเลยทีเดียว เมื่อสิ่งควรเข้าประชุมสภาคุนนางละว่าจะจะเชื่อไม่เชื่อจริงไม่จริงเพราะแต่ต้นแต่เดิมมันไม่เคยจริงเลยสักประการเดียวเตี้ยวเตี้ยวที่ปรึกษากล่าวผู้เฒ่าก็จริงว่าสิ่งเราปีให้หนังสือมาเนี่ยเป็นกลอุบายเพราะตัวว่าโจโฉสิ่งตอนนี้ตีฮันตงได้แล้วตั้งทัพอยู่ในเมืองฮันตงบำรุงแต่แกลวยทหารอยู่ เราปีเกิงว่าโจโฉจะยกไปตีเสฉวนมีเตียวเจียวกล่าวอย่งนี้และเตียวเจียวก็พูดซ้ำ ม, มาไปว่าแต่ถึงมัทธวจะเป็นกลของเราปีก็ตามเถอะแต่ก็เป็นประโยชน์แก่เราถึงสองประการประการหนึ่งจะได้เมืองสามตําบลอีกประการหนึ่งจะได้เมืองหับป่าด้วยถึงแม้ทว่าเราปีจะมีใจกําเริบ ว, ว่าลวงเราได้ก็ตามเถอะ ก็ควรที่จะทำตามมังสือของเล่าปี่นี้ให้จงได้อา่าวเตียวเจียวให้กระทำตามมังสือนี้คือทั้งที่รู้ว่าเป็นคนรวงเล่าปีททำมาทำไมทำเป็นยกเมืองให้อย่างไรมีจดหมายไม่ไงก็รู้อยู่หมดแต่ก็อาว่ะก็รู้ทั้งรู้แต่ก็ไม่เกรงว่าผมประโยชน์จะเป็นฝ่ายของศัตรูแต่ประการเดียวผมประโยชน์จะเป็นแกกตนด้วยถึงสองประการควนอูฟังเตียวเจียวที่ปรึกษาเท่า กล่าวชี้แจงดังนี้ก็เห็นชอบด้วยก็เรียกหาตัวอีเจียถูดปูถือหนังสือมาเนี่ยเข้ามาแล้วก็สั่งว่าท่านจงเร่งกลับไปบอกแก่เล่าปีเถอะว่าเราจะยกไปตีมึงหับปะอีเจียก็รับคำแล้วก็ลาไปขณะนั้นเทียเผาอุยกายหันตงมี่นายฐานเก่าทั้งนั้น ตรวจด่านยังไม่กลับมาสุนกวนก็จึงให้โลซกไปไปเก่งจิว่าหวังจะรับตราสำหรับเมืองสามตำบลนั่นกังแฮเตียงสาหวีเอียงที่เราปีว่าใหอ้อ่ะก็ให้ให้โลซกไปแล้วสุนกวนก็พาฐานยกไปตั้งอยู่นปากน้ำลกเขาให้เรียารากําเลงริบองเล่งทองแต่ เหล่งกับลิบองมาถึงก่อนเล่งทองยังมาไม่ถึงส่วนกลัวนั้นก็ปรึกษาว่าบัดเนี่ยโจโฉยกทัพไปตีเมืองหันป ง, งเราก็คิดจะไปตีเมืองหับปา่าท่านทั้งวนเห็นประการใดอย่างไรลิมองก็จึงว่าโจโฉส่งจูโงงมาอยู่รักษามเมืองโล ก, กังจูโงนะ่ะมาตั้งอยู่ในเมืองอ้วนเสีย แต่บัดนี้เป็นเทศการเข้าโพธิ์สาลีสุดจู๋ก๋งนะ่ให้เก็บเกี่ยวข้าโพธิ์สาลี่องสุมไว้ในเมืองหักป่าเป็นนั่นมาขอให้ยกไปตีเอาเมืองอ้วนเสียเสกอดแล้วจึงยกล่วงไปตีเอาเมืองหักปา่าก็เห็นจะได้โดยง่ายสุ่ย ก, กวนก็เห็นชอบด้วยจัดแจจะแก้ฐานได้สิหมืนให้กำเหลงนิมองคุมฐานเป็นกองมาจิวขิมปวเจียงเป็นกองหลัง สุนกวนเอาจิวไทยตันบูตันสิกซิเซง ส, ส, ส, สีไม้นี้ไวในกองหลวงครันจัดทับเสร็จแล้วสุนกวนก็ยกทับขา้ามฝากไปขึ้นทางเมืองให้จิ๋วแล้วก็ยกเป็นกระบวนทับบกเข้าไปพอใกล้เมืองอ้วนเสียก็ให้หยุดยังตั้งค่ายมันไว้ก่อน จู๋กงที่โจโชให้หยุดไม่รักษาเมืองเนี่ยรั่วสุนกวนยกกองทัพเมืองกลางตังมาก็กะเกณฑ์ทหารคุณรักษาหน้าที่เชิญเทินไว้เป็นม่านคงแล้วค่อยคนใช้รีถึงสื่อแจ้งข่าวทัพไปถึงเตียวเลี้ยวก่อนเตียวเลี้ยวสึ่งเตียวเลี้ยวน่ะอยู่รักษาเมืองหักปา่าฝ่ายสุนกวนก็ค่มทหารไปเที่ยวดูกำแพงเมืองอ้วนเสียเห็นที่ไหนเบาบางก็จะได้ให้ทหารเขานะ้าหั อที่นั้นแหละฝ่ายทหารรักษาหน้าที่เชิงเทินเห็นสุนกวนคุมทหารมานดิก็พาเอาชวนกันเอาเกาทานันระดมยิงออกไปเป็นอันมากส่นควนเนี่ยกล้าหาน เ, เรียกว่ากล้าหาันเกินคนอยู่มากทีเดียวกล้าเข้าไปใกล้ในระยะเกาทันของข้าศึกชะเนี้อยอะไรก็ตามเถอะเกาทันนั้นก็ไม่อาจกัมมันตรานได้กับสุนกวนได้รอกส่นควนนก็น ร, นะกรีดถอยออกมาแล้วก็กลับมายัางคาย ปรึกษาแก่ฐานนั้นปวงว่าเราจะรบพุ่งประการใดจึงจะได้เมืองอ้วนเสียตังสิทธ์ก็จริงว่าให้เกณฑ์ทหารขนเอาดินมาถมไว้เป็นเนินรับให้สูงเท่ากำแพงเมืองให้หลายกองทีเดียวแล้วค่อยทหารระดมยินเกาวทันเข้าไปดังหาฝนทหารอยู่บนเชิงเทินก็จะลักหน้าที่เสียแล้วค่อยฐานเอาบันไดหก ถ้าปีนเข้าไปก็เห็นจะได้เมืองโดยง่ายนี่ตังสิทแนะนำอย่างนี้ลิบองก็งจริงว่าแกตังสิทธว่าอันจะทำการเหมือนท่านว่านั้นนะเขาจะเห็นว่าชานกะองทัพมือหักปานู่นจะยกมาช่วยกันได้ทันอันฐานของเราก็มีกำลังอยู่ขอให้ยกขาโจมตีเอาแต่ในเวลาเดียวก็จะได้มืออ้วนเสียแล้วก็จะได้ร่วงเข้าไปให้ถึงมืองหักปา ไม่ต้องกระทาการอย่างชัเช้านน่ไหรอกะสุนกวนเด็ดฟังก็เห็นด้วยตามที่ลิบองว่าครั้งเวลายามสามละให้ทหารหุงหาอาหารกินพร้อมแล้วเวลาส1อทุ่มก็ยกฐานข้ามคูเมืองเข้าไปโจมตีทำลายประตูเมืองกำแพงเมืองเลยทีเดียวเรียกว่าโถมกำลังเข้าไปเลยเสียง้องกลองโหรองอึิงสนั่นหวั่นไหวดังแผ่นดินจะถล่มทลายรูไป ฝ่ายฐานบุญเชิงเถินก่อเก่าฐานระดมยิงลงมาดังหาฝมกัมเหลงกับนิบองซึ่งเป็นนายกองหน้าเห็นดังนั้นก็เร่งขับฐานเอาบันไดระพ อ, องพาดกำแพงปีนขึ้นไปรบพุ่งเป็นสามะและกัมเหลงนั้นขึ้นไปถึงกลางพระองค์แล้วก็โซ่เวียงขึ้นไปจะให้คลองใบเสมาเพื่อจะได้ลวงเหนียวตัวเองปายปีนขึ้นไปจุ่งได้ฝ่ายจูก่กง ทหารเอากัวซิรชัชเอาสุมเทงลงมาเป็นอันมากละกำเหลงเนี่ยวิ่งโซ่ขึ้นไปขึ้นจำพาะไปถูกจูกง่งลม้มลงทหารบุญเชิญ ก, ก็ตกใจเข้าช่วยไปยูจูก่งวะก็เป็นเวลาเดียวขนาดเดียวเ็นกติดกำเหลงทหารนับุีนปบุเชิทหารเทินได้กำเหลงก็กระบี่ทานหารต่างๆก็เอาทวนรุมแทงฟันจูกง่งจนถึงแก่กวานตาย ทหารจูงงทั้งสิ้นนั้นต่าก็มาทำมัฟกาเหลิงสิ้นเรื่องราวของสาม ก, ก๊กในตอนนี้เรียกว่าเริ่มเปิดฉากสุมาอี้แล้วนะครับสุมาอี้เริ่มเริ่มแสดงตัวขึ้นมานิดหนึ่งความยิงตำแหน่งตอนนี้เขาเป็นจะเรียกว่านายบัญชี นรบนบัญชีสมุสมุบบัญชีทหารเรวเท่านั้นแต่เอาละ่ะเขาเริ่มเข้าม า, อาบอกกล่าวโจโทโซว่ายกเข้ามาถึงตังฉวนแล้วตังฉวนตังฉวนนี่มันใกล้เสฉวนคือตีมือหันตรงได้แล้วเนี่ยกว่าจะมาได้หนึ่งย่ำแย่ มาถึงนี้เราอยา ก, กลับเลยแล้วเมื่อไรจะได้ยกมาอีกให้ตีเสียชวนให้ได้เถอะแต่โจเมงเต็กก่อนเหนือชั้นต้องเรียกว่าท่านก็ทําำเป็นเห็นอกเห็นใจราทหารทําเป็นว่าไม่ยินดียินร้ายไม่รู้โมโตสันไม่ต้องการอะไรก็ อ, อะไรก็จะกลับมาว่าอย่างนั้นเถอะแต่จริงๆนะไม่กลับหรอกเราหัวก็มากล่าวอย่างนี้นอีกนึกว่าโจโจก็เตรียนที่จะบทขยี้เสียชวน ฝ่ายเหล่าปีโคงเบ่งแห่ง เ, เสฉวนนั้นแล้วก็รู้อยู่อาณาประชาราชทั้งปวงนี่วันกระหนกตกอข่าวสึกข่าวของครามนี้เป็นที่ยิงเกรงกองทัพที่จะย่ำยีมีทาเข้ามามันดิร้อนกันไปหมดละอืมก็วันเกรงกันวุ่นฮกหลงบอกว่าไม่ต้องตกใจจะให้โจโฉยกทัพกลับไปเชอย่างนั้นแหละท่านวางง่ายงวิธีการของท่านก็มีอยู่ ว่าก็ลงไปให้ชัดเลยก็คือหลอกหลอกซุ่มกลวนกวางกาต่างต่อไปว่าจะยกเมืองนั้นใหเมืองนั้นให้เมืองนั้นให้ขอให้ช่วยยกทัพไปตีหักป๋าทีนี้ข้าฝ่ายซุ่มกวลวนพอได้นึกสีนี้ก็รู้ว่าคงเบ้งนั่นหลอกก็รู้นะครับก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่เตียวเียวมาพิจารณาแล้วนี่เอาหลอกก็หลอกเลยนะ ต่อจับเมื่อวานนี้ดังนี้ฝ่ายเตียวเลียวครั้นแจงในหนังสือทจูโก่งให้มานั้นคือจูโกง่งได้มีหนังสือมาขอความช่วยเหลือนั่นแหละเพราะว่ากองทัพเสฉวนมาแล้วชะนี้ตเตียวเลียวก็จัดแจงทหารยกกองทัพไปช่วยเมืองอ้วนเสียแต่ว่าความจริงตอนนี้จูโกงนะ่งอ่าตายซะแล้ว ถูกกำเหล่งขาตายไปแล้วล่ะพ่ายแพ้แล้วอ่ะเอเมื่อเปียวเลี้ยวเด็กสาวเจนั้นเนี่ยอก็ยกทหารไปเมืองอ้วนเสียขั้นไปถึงกลางทางอ่ะก็รวจ่จู่กงตายแล้วเมืองอ้วนเสี ย, เ ส, ยสเสียแกสุ่มกลวนเสแล้วรู้ข่าวว่าสุ่มกลวนด้เมืองอ้วนเสียแล้วเปียวเลี้ยก็ยกกลับมารักษามเมืองหับป่าไว้ ทีนี้ขัางฝ่ายเหล่งทองได้กุมหารรีบติดตามสุ่นกวนมาครั้งมาถึงสุ่นกวได้เมืองอ้วนเสียก่อนแล้วนี่สุ่นกวนก็พาเหล่งทองกระหานทา ง, ทงปวงเข้าไปในเมืองอ้วนเสียแล้วก็จัดการปูนบรรณแปลแปลกทหารใหญ่น้อยทางปวงแต่งโตมาเรียนดูคุณน า, นางทหารทั้งหวยวาลนั้นแต่สุ่นกวนก็จิงว่าเรามาตีเมืองอ้วนเสียครั้งเนี้ยกำเหล่งมีความชอบเป็นอันมากเพราะเข้าเมืองได้ก่อน ค, ควกปวงค่ายกำเหล่งนะ่ะมานั่งกินโต๊ะนะัที่ที่คุ้นนางผู้ใหญ่นี่ประจับพฤติการที่กำเหล่งเป็นขึ้นเมืองเนี่ย ร, รบสู้รบกับฐานบนเชิญเทินจนกระทั่งขาจูกโงตายเนี่ยเอากำเหล่งมีความชอบมากแลวเอาไม่ขนาดนั้นที่ปรึกษารายงานทั้งปวงกินโต๊ะอยู่พร้อมกันนะ่ะ เล่งทองนี่ผูพยาบาทกันมาแต่ครั้งพอ่อเล่งทองเห็นกำเหล็งมันมกินโต๊ะอยู่ในที่สูงกว่าฐานทั้งปวงเนี่ยก็มีความแค้นเมื่อว่กกำเหลิง น, นะ่าบิดาของตัวตายเล่งทองก็ชายตาคอนกำเหล็งอยู่และกว่าแกฐานทั้งปวงว่าเราจะรำกระบี่ให้ท่านดู แล้วเล่งท้องก็รำกระบี่นี่เป็นวิธีการที่จะประหัตประหารกันเกิดขึ้นแล้วกำเหลงเห็นดังนั้นก็รู้ทันทีก็มองด้วยตาเขาเหมือนถึงค้อนควักอยู่เช่นนั้นและหมันีรู้ขึ้นว่ามกระบีป่ปออยู่อย่างนี้เล่งท้องก็รู้กำเหลงก็รู้ว่าเล่งท้อง น, นี่มีใจพยาบาทตนอยู่ที่รำกระบี่เนี่ยก็หวังที่จะหาโอกาสทํำร้ายเรา ก็จำที่เราจะรำบาัางก็เพื่อจะได้ป้องกันตัวท่านนั่งอยู่ชะนี้จะป้องกันตัวได้ชะไหนอะกํากเหลงคิดดังนั้นแล้วก็จึงพูดขึ้นว่าเล่งทองรำกระบีแต่ผู้เดียวก็ไม่สูงงามตัวเราก็ชำมา ถ, ถือทวนสองเล่นเราจะรำทวนให้ท่านทัน้งปวงดูดีกําเหลงหวาแล้วก็รุกขึ้นรำบ้างละทังฝ่ายลีบมอง เห็นกําเลงเหล่งทองรําทวนลํากระบี่ใชนั้นลีบองนี่ก็รู้ว่านายฐานทั้งสองคนเนี่ยพยายามาแก่กันอยู่จะทําร้ายกันจําเราควรที่จะต้องป้องกันไว้อย่าให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใดได้เลยลีบองก็จึงลุกขึ้นผูกกัะางน้นวงขึ้นว่ะตัวเรานี้ชำมาลเขนนี่เป็นอาวุธอย่างหนึ่งใส่ที่มือที่แขนทั้งสอง ตัวเราชำมางเขนเราจะรำเขนให้ดูไม่ใช่รำโขนนะครับนี่เป็นอาวุธอย่างหนึ่งละแล้วลีบองก็ลุกขึ้นรำอยู่วางกลางระหว่างกำเหล็งกับเหล่งทองลีบองไปขัดกลางเขวนี่ให้คนทั้งสองเนี่ยทำร้ายกันได้ทหารคนเห็นบุ่วายดังนั้นแ้วนี่ก็รีบควาาไปบอกสิ่งควน สุนกวนแจ้งนั้นก็ตกใจก็รีบไปยังที่ประชุมขุนนางเห็นกามเหลิงเล่งทองรำอาวุธกันอยู่คนละขัน้นส่วนลิบองนั้น ร, รำเข็นอยู่กลางอยู่ว่างกลางกามเหลิงกับเล่งทองเห็นสุนกวนมาก็ตกใจวางอาวุธเสียแล้วก็คุกข่าวลงคำนับสุนกวนอยู่สุนกวนก็จึงว่าแกเล่งทองว่า การงี่ท่านพยาบาทก ร, รมเหล่งนั้นน่ะเราก็ได้ขอแต่ครั้งก่อนแล้วเหตุใดอ่ะจึงมากระทําขึ้นครั้งนี้อีกเล่เหล่งทองมันไม่รู้จะตอบประการใดคือไอ้แขนที่เก็บไว้น่ะมันหนะักมันแน่นอกยิ่งนะพีงรับปากรับคำนะ่ะก็เพราะเกรงกลัวแกอัมมาสุ่มกวนไปนั้นแหละ แต่แคน่นมันไม่ได้หายไปบัดนี้ถูกถามขึ้นแค่นี้ก็ไม่รูดนั่งร้องห้อยู่อย่างนั้นแหละสุนกวนก็ไปปลอบโยนเร่งทองว่าท่านกับก ร, รมเหล่งก็เปรียบเหมือนปลาคลองเดียวกันจงตั้งใจประนอมทำราชการด้วยกันให้ปกติเถิดเร่งทองก็หนีสุนกวนนั่น จัดการกลายเกลี่ยเรื่องราวจนเรียบร้อยแล้วก็สั่งให้ตรวตราจะแก้ฐานเตรียมไว้ให้พร้อมทุกหน่วยทุกกองครั้นรุ่งเชา้าสุนกวนก็ยกกองทัพไปใกลเ้เมืองหับป่าแล้วก็ตั้งค่ายมั่นลงไว้ฝ่ายเตียวเลี้ยวเตียวเรีย้ยงี ยอดฐานฝีมือดีอของริโปโ้แต่มาอยู่กับโจโฉเปีเยวเล้วรอดตัวไม่ตายโดยอาญาของโจโฉไปพร้อมกับริโป้ในครั้งนั้นก็ด้วยฝีมือของตนเองเออเปีเยวเล้วเนี่ยมีฝีมือยิ่งคนหนึ่งทีเดียวละ่ะโจโฉจึงให้เป็นผู้รักษาเมืองหักป่าอยู่เนี่ยเปีเยวเล้วนั้นน่ะเออเมื่อจะไปช่วยเมืองอ้วนเสีย แต่แล้วก็ไม่อาจจะช่วยได้แล้วก็กลับมาเมืองหักป่าเนี่ยมาถึงหักป่าก็กะเกณฑหานกรัลสาหน้าที่เชิญเพื่อนว่าเป็นมั่นคงละครั้นแล้วก็รั่วสุ่นกวนยกกองทัพมาใกล้เมืองหักป่าแล้วเปียวเลียวก็คิดที่จะออกไปรบพุ่งกับสุนกวนก็ผลดีฐานเข้ามาบอกกัเตียวเลียวว่าโจโฉให้เอาหีบน้อยนี้มาให้ทัขนขณะนี้โจโฉอยู่เมืองฮันตงนูน หรือแคว้นตั้งฉวนอ่ะทาหารมารายงานอย่างนี้โจโฉให้หีบมันเดียวเรียวก็รับเอาหีบมันมาดูเห็นมีหนังสือสราระบอกว่าถ้าจะมีศึกมากระทําย่ายีเมืองหับปาแม้จะต้านทานขัดสนประการใดให้เปิดเอาหนังสือออกมาดูแล้วให้ทำตามนี่โจโฉนี่ สติปัญญาท่านเนี่ยไม่ใช่ย่อยเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าจะคอยพึ่งพาแต่ความคิดเห็นผู้อื่นผู้ไดใครทั้งนั้นนี่โจโฉสั่งการร่วมมามก็กระทำได้นาระเกี็นหนังสือใส่หีบส่งมาให้อย่างนี้เตียวเดียวได้รับมีแล้วก็กระขนานั้นเตียวเดียวก็ปรึกษากับลิเตียนแหลงจิ้นวะซึ่งจะออกไปต่อสู้ิสุนกัว น, นั้นจะทาฉันใดลิเตียนงจิน ค่ยําปรึกษาไม่เป็นที่ตกลงกันได้เดียวเลี้ยวได้รับมิ้งสือฉบับนีจากโจโฉแล้วเนี่ยมทําแม่ขัดสมประการใดถ้ามีสื่อมากระทำอย่างนีง้เมืองหักป่าไม่ขัดสมประการใดให้เปิดดูเตียวเลี้ยก็เปิดหีบออกเอาหนังสือโจโฉมาอ่านเลยเป็นใจความบาดถัดสุ่มกวนยกมาตีเมืองหักป่าก็ให้เตียวเลี้ยกับลิเตียน คุมทหารออกไปรบด้วยสุนกวรให้งักจิ้งอยู่รักษามเมืองมีโจมิงเตส้สั่งการมาดังนี้ก็ทีจะรัวบคนทั้งสามนี่จะปรึกษาการกันแล้วตัดสินใจไม่ถูกจะทาประการใดอย่างไรอ่ะตีเลี้ก้หนังสือเนี่ยให้รีบเตียนกับนักจิ้งดูรีบเตียนนักจิ้งเห็นหนังสือแล้วก็ว่าแกเปียวเรี้ยวอ่ะเมื่อนหนังสือวีโกงมีมาชานิด คือโจโนี่ถ้าเขาเรียกด้วยความเคารพเขาต้องเรียกตำแหน่งนะครับต้องเรียกว่าวีงกงเมื่อหนสือวีกงเรื่อมาชะเนี้ท่านจะคิดประการใดเตียวเลียก็จึงว่าสุ่นกวน ร, รู้ว่าท่านวีกงยกไปตีเมืองหันตง๋งสุ่นกวนจรึงมีใจกําเริบจึงบางอาจยกทัพมาทำมันตรายแก่เมืองเราเราจําจะคุมหันออกไปรบด้วย เอาชัชนะซึ่งกวนไว้สักครั้งหนึ่งก่อนแต่พอยกยอน้ําใจฐานทั้งปวงของเราให้มีกําลังใจมั่นคงขวัดและเราจึงจะคิดอ่านต่อไปนี่เตียวเลี้ยวว่าอย่างนี้ล่ะจะออกไปลบรเตียนได้ฟังก็นิ่งอยู่คิดจากหนังสือไม่ว่าให้ให้ริทีนไปกับเตียวเลี่ยวหนิแต่งานจริงเน นักกนั้นเล็พวกกันรุ่มกวนคุมทหารมาครั้งนี้เป็นอันมากและถานเมืองเราก็น้อยซึ่งจะยกออกไปนั้นเห็นจะต้านทานสุ่มวรไม่ได้ขอให้รักษาเมืองไว้มั่นคงอย่าให้คาดศึกเข้าเมืองได้เดียวเียวก็จริงว่าอันจะรัรกษาเมืองนิ่งอยู่ชนีจะไม่ผิดกับหนังสือที่วีกงให้มาหรือ ผู้ใดจะอยู่ก็ตามเถอะแต่เราผู้เดียวจะคุมฐานออกไปทําสงครามกับซุ่งกวนและเตียวเรียวก็สั่งจับแจงทหารทีเดียวลิเทียนนะักจิ้นก็จึงว่าแกเตียวเรียวว่าพ้าเช่นั้นตัวเราก็รวมทุกรวมซุปรับผิดรละชอบเดียวกันเราจะขอออกไปด้วยก็ใช่แต่ทหารอยู่รักษามมิตเถอะ เยวเรวเ็ฟังก็มีความยินดีก็ยืนว่าแกลิเปลี่ยนว่ะเวลาสามยามคืนนี้ท่านจงคุมทหารยกอ้อมไปทำลายสะพานเสียวเกียวซึ่งอยู่ทางข้างทิศใต้เชียอย่าให้ข้าสึกข้ามไปมาถึงกันได้แล้วก็คุมทหารซุ่มอยู่มาตำบลเสียวเกียวคอยสกัดตีกองทัพสุ่นทึ้งกวนเวลารุ่งเช้า ตัวเรากับงัดจิ้มจะคุมหานออกไปโจมปีขึ้นปวนเองหลีเปลี่ยนแบบฟังเตียวเรียวางแผนให่แบบนี้ก็เห็นชอบเลยล่ะก็คุมหานไปกระทําตามคําติดเตียวเรียวสั่งและครั้งเวลารุ่งเช้าเตียวเรียวค่ยงัดจิ้มคุมหันเป็นกองล่อส่วนตัวเตียวเรียวนั้นคุมหานออกไปซุ่นอยู่หวังจะคอยโจมปีเป็นหันวัดเตียวรียว และก็พร้อมเลีเตียงนงักกินดูเนี่ยยกออกไปหมดให้แต่ทาหารอยู่รับสามเมืองถ้าจะว่าไปก็ผิดจจะนังสื้อโจโฉไปนิดเดียวทีนี้ข้างฝ่ายสุ่มกวนเหล่งทองยกลวงมาแหลกกาเหล่งกั บ, บรีบองซึ่งเป็นกองหน้านั้นเห็นงักจิ้นคุมฐานออกมางักกินอีกเตียวเรี้ยวให้เป็นกองล่อไปนิดกาเหล่งก็ขับมาก็รบกับงักจิ้นด็กสิเล งัดจิ้งก็ทําเป็นฉักมาถอยหนีเข้าไปทางปากทางเสียวเกี่ยวแล้วก็รีบขับมาไปทางแยกลี บ, บองเห็นได้ทก็ขับผ่นหนุมไปสุ่นอ้วเหยือก็ขับมาผ่านรีบตามทีเดียวพอไปถึงตําบลที่เตียวเลียวซุ่มพักไวอ้อ่ะก็ได้ยินเสียงประทับสัญญาเสียงฐานหหร้องอืีกขึ้นแล้วขันสายนันสิ ลิกเตียนคุมทหารตีกระหน่ำออกมาเป็นอันมากทางด้านขวาละ่ะเตียวเลี้ยวคุมทหารตีกระนำเข้ามาข้าฟันทานหารเมืองกลางต่งล้มตายแตกตื่นทีเดียวอุ่นกวนเห็นเสียทีเลยก็ตกใจและกำแหงกับนิบองก็ไล่นักจิ้นเกินขึ้นไปแค่แล้วพระเจ้าขวาวกมาไปตามให้กลับมาช่วยกองทัพเตียวเลียวก็สกัดทานอยู่ ทองทับสุ่มกวนถูกโจมตีอย่างหนักทีเดียวขณะนั้นทหารเหลืออยู่ประมาณ300อเท่านั้นแหละ mm. เล่งทองก็ว่าแต่สุ่มกวนว่าจตเร่งข้ามสะพานไปถึงฝากงงังน้นเถอะจะพ้นขาสุดครำว่าขาดคำลงก็ผลิตติวิลคุ้มทหารไล่เล่งทองเข้ามาสุ่มกวนก็ขับมาหนีขึ้นไปบนสะพานเีรา หีขึ้นไปบนสะ พ, พานพอไปถึงฝาขัางมูซิเชิญสะ พ, พานขาดอยู่ถูกทำลายซะแล้วไม่มีสิลาถูกคือสะ พ, พานเป็นสะ พ, พานทำด้วยสิลาทำด้วยหินน่ะแต่ก็ถูกอลิอตียนทำลายใช่ประมาณสักเศอกสิบศอกแล้วก็ประมาณ 4-5 หเมตรนะ่ะสิ่งกลัวตกใจทีเดียว ทหารที่เหลือติดตามมาเนี่ยก็จำนวนเป็นร้อยเ่านั้นเองก็ราะจริงทีบอกครั้งนี้เห็นเราจะไม่พ้นมือข่าศึกซะแล้วแต่จะชักมาถอยหลังไปหรือก็ไม่ได้ด้วยฐานตีเหลียวนะี่ยตามกระหน่ามาถึงสะพานฝากทาตะวันออกแล้วทหารคนนึงที่ตามมาด้วยก็เตือนสติซุ่งกวนขึ้นว่าให้ท่านชักมาถอยไปถึงกลางสะหาแล้วก็พวกขับไมา้โจนข้ามสะพานไปทนเถอะกวจะถึงแผ่นดินฝั่งนู้นเอง สุนกวนก็เห็นชอบด้วย่ังมาถอยหลังไปในจังหวะแล้วก็ขับมาโคกประโจนข้ามไปถึงอีกฝากหนึ่งได้สาเร็จก็พอดีสีเซงตังสิทีเรียรมหนื้อมาเห็นเข้าก็ขับฐานเรียกเข้าไปรับสุนกวนลมเรือข้าฝ่ายเล่งทองนั้นก็สู้รบกับเปียวเ้วเป็นสามาทีเดียวเปียวเล้วฆ่าฟันทหารของเล่งทองทั้สิ้นเลย ที่เร็300เนี่ยห้าตายหมดเลยฝ่ายลีบองกัมเล้งได้ยินทหารข้างหลังคือไล่ตามงัดจิ้นเลยไปแล้วอ่ะได้ยินเสียนทหารก้างหลังอืนกัะหนิงโหรออ้อนก็พระหาดางถอยมาหวังจะช่วยสุ่นกวนก็มาพบิีเตียนเข้ารบ ก, กันอยู่สกัดกันสู้รบกันอยู่เป็นช้านานและกระนั้นงัดจิ้นพวกของลีเตียนเนี่ย ขุนหันย้อนกลบมาเห็นลีเตียนกับลีบองกับเหม่งรบกันอยู่งักจิ้นก็เข้าช่วยรุมกระหนัลีเตียนกับงักจิ้นข่าฟันทหารกับเหม่งเงินกางตังล้มปลายเป็นอันมากทีเดียวเล่งทองนั้นซึ่งทหารเลยหรือแต่ตัวผู้เดียวร่างกายนะต้องอาวุธเป็นมาแผลจัดการลายแผลเหลเือกำลังที่จะต้านทาน ก็ขับมามีเตียวเรียวไปถึงเชิญสะพานก็ได้พบกาเหล็งรีบมองและทหารประมาณเอ่อ้ 14, คนเท่านั้นต่างคนต่างก็จำต้องทิ้งมาเสียโบกจากหลังมาแล้วก็โจรลงน้ำว่ายําหนีไปนี่พายแพ้ยับเยินเลยทีเดียวกองทัพสุ่มกวนขณะนั้นสุ่มกวนอยู่ในเรือของซีเซ้งตังสิทแล้วนี่ เหน็นก็สั่งให้ถอยเรือเข้าไปรับอากรรหลีงนี่มองมาขึ้นเรือของตนแล้วก็พาฐานทั้งพวงรีบหนีไปทางปากน้ำยี่สูแดนเมืองกังตังแล้วก็ขึ้นตังขายอยู่ ซุ่ควรแตกมันนั้นทั้งทาหารระชามืองตันตันเน่ยกลัวฝีมือเตียวเลี้ยวเป็นอันมากทีเดียวคือเตียวเลี้ยวทํา้ายจะต้องกองทัพเลยถ้าเด็กร้องห้อยู่มีผู้ครูออกชื่อว่าเตียวเลี้ยวเท่านั้นแหละเด็กนั้นจะกลัวนี่เลยทีเดียวสุ้มควรนั้นให้มีความน้อยใจนะและก็ด้วยตนเองด้วยนําทัพเข้ารถ ตัวเองก็พ่ายแพ้เกือบเกือบเกือปายมาเหมือนกันเนี่ยซุ่มกวนนั้นน้อยใจยิ่งนะก็ซ่องสมฐานหวังที่จะยกไปแก้แข้นเตียวเี้ยวให้แตงยังซื้อไปถึงโลศเป็นใจความว่าให้โลศเร่งคุมทหารเพิ่มเติมมาเราจะยกกองทัพไปตีเอาเมริกาปาจับตัวเตียวเลี้ยวมาฆ่าให้จุนได สุนกวนมีคําสั่งไปยังโลศกให้นํากําลังกองทัพมาเพิ่มเติมที่ข้างฝ่ายเตียวเลี้ยวเมื่อมีชายชนะแกะส่สุนกวนในครั้งน้ําแล้วเนี่ยก็คุมฐานกลับเข้าเมืองและเตียวเลี้ยวนั้นมิใช่ผู้ประมาทมีได้กำํำลังเรวจสอบน้ําใจในชายชนะแห่งตนก็ให้คิดเกรงทีเดียวคืดเกรงว่าสุนกวนแตกไปครั้งจะต้องเรียกกาลังกองทัพมาเพิ่มเติม แล้วก็จะต้องยกมาแก้แค้นเราเป็นมั่นคงอันทหารในมินหักป่าของเรามีคนน้อยนะเห็นจะต้านฐานสุนกวนมิได้แม่จาจะต้องบอะไปถึงโจโฉให้ยกมาช่วยเปียวเวียวคิดด น, นักนี้แล้วก็ตีนักแต่งหนังสือบอกข่าวข้อราชการแล้วก็แก้ให้สางติดต็มเนี่ยออกไปรบพุงกับกองทัพสุ่มกวนมิใช้ชน้ะแต่สุดกวน แล้ก็ขอกำลังกองทัพโดยมาช่วยเนี่ยออกแต่งหนังสือนี้ไปถึงมุ่ยโขงโจมิองเป็กโฉให้ได้ทราบผู้ประการแล้วก็วัดเดียวยกเกรงอยู่ว่าสุ่นกวนจะยกกองทัพมาอีกและฐานในเมืองหักป่านั้นก็มีน้อยนะขอให้กองทัพวีกโขงยกมาช่วยครั้งแต่งหนังสือเสร็จแล้วก็ให้ซิกแทรีดถือหนังสือไปอยังเมือง หันต หนังสือของเตีเรียวเดินทางจากฮับป้าไปจนถึงเมืองฮันตงเขาไม่ได้แจงเวลานะครับแต่เวลานี่มันต้องเป็นแรนเดือนะ่ะออกไปถึงเมืองฮันตงก่ออาหนังสือเข้าห้กระโจโฉโจโฉทีก็เลยออกดูรู้ความหนังสือนั้นแล้วก็ปรึกษากับผ่านทั้งตัวทีเดียวตามหนังสือที่เตียวเรียวว่ามาเนี่ยว่าเราจะคิดอ่านประการใดเหล่าหัว ก็ <c oughs> จริงว่าซึ่งจะยกไปรบมือเสฉวนก็ยังไม่ได้ก่อนอือก็มีเล่าหัวกับซุมาอี้ไงสองคนเนี่ยที่ตั้งใจใโจโฉย ก, กทัพทบขยีมือเสฉวนของเราปีอะ่ะเหตุผลว่าราปีพึงแต่มือเสฉวนเสฉวนยังไม่สงบเรียบร้อยหรอกนี่แบบ น, นี้เล่าหัวก็เพื่อซึ่งจะยกไปบมือเสฉวนยังไม่ได้ก่อน เรือบัตนี้เราปีกจัดแจงฐานกราเตรมไว้ที่จะป้องกันมือเสีชวนไม่เป็นอันตรายครับพร้อมแล้วอันมือหักปานั้นก็เป็นมือใหญ่และสําคัญแม้นท่านละเสียสุนกวนยกมาตี้เมือหักปา่าก็จะร้อนถึงมือหูโตเมื่อเป็นชนิดก็ขอให้ท่านยกทัพไปช่วยเมือหักป่าจริงจะขวดนี่ก็ตามแผนของหกหลงสําเร็จ โจโเด็กฟังเหล่าหัวผู้จชี้แจงเรื่องนี้ก็เห็นชอบด้วยก็จริงว่าเขาเต็งกุลสังกับเขาบองเทาเหนี่ยมสองตำบลนี้เป็นปาทางเมืองหันตงให้แห่วยเอียงคุมทหารอยู่รักษาเขาเต็งกุลสังเป็นกุลสังนี่เป็นยุทธภูมมันสําคัญอยู่ให้เตียวครับเตียวครับไหมครับ เตียวครับมีเป็นฐานเก่าของล้วนเสียวล้วนเสียวตายแล้วโจโฉก็ได้ตัวมาอยู่ด้วยเนี่ยให้เตียวครับอยู่รักษาปากทานนาเขาบองเท่าเงี้ยมแล้วก็จัดแจงฐานทั้งสิ้นได้1 4 0 0นโจโฉก็ยกจาหันติหรือแข้งตังฉวนเนี่ยพุ่งตรงไปสู่เมืองขับป่า ทับใหญ่แสนสี่มื่นคนพรายพลเท่าที่จะจัดแจงรวบรวมมาได้ของโจโถก็ยะจากฮันตงมายังเมืองหักป่าระเอาเมือมาถึงแล้วก็พาเดียวเลี้ยวลิเตียนงัด ก, กินคือได้กําลังเพิ่มมากขึ้นแล้วนี่ไม่จําเป็นจะต้องแข่เพียงรักษาเมืองหักป่าอยู่เท่านั้นหรอกมีกําลังมากพอแล้วก็ยกล่วงกระไรตั้งอยู่นะ แดงก่อแดงของมืองกังตังเลยทีเดียวทางฝ่ายมาใช้กองสอดแหนมสือข่าวทั้งตวงของกังตังเนี่ยเอาก็ไดข้ข่าวนี้เก่าเมื้อความทั้งสิ้นเนี่ยมาบอกแก่สุนมกลัวดวาวบาัตมี่โจโฉคุมทหารจากเมืองหันตงมาช่วยเมืองหับป๋าทหาร ประมาณส4 0ส0มืนได้ยกทัพมาตั้งอยู่ณแดนต่อแดนเมืองกลางต่างแล้วสุดขวัเด็กแก่ก็ตกใจป่อยตั้งสิสิสิ่งคุมรือรบห้าสิกรัมใตั้งขัดตาทับอยู่ณนะปางน้นมิยี่สูให้ตั้งบูคุมฐานเที่ยวรเวนอยู่ริมทะเลเดี่ยวที่ปรึกษาผู้ใหญ่ เขาจึงว่าแกสุ้กโกนแบบโจโฉนะเพิ่งยกมาถึงทางก็กลายธุรกันดานนะทหารทั้งปวงยังอิดโรยอยู่เป็นมั่นคงขอให้ท่านแต่งฐานไปโจมตีในฐานโจโฉถอยกำลังลงแล้วแล้วจะได้ทำการต่อไปสุ่นโกนเห็นชอบด้ยวยก็ถามในบรรดานายฐานบัวพูดนายจะอาสาไปกระทำตามคำเตี๋ยวเกี่ยวได้หลงทองก็รับอาสา ว่กัปเจ้จะขอทหารแต่สามพันยกไปโจมตีให้ทหารโจโฉเสียเทียใจงได้เล่งทองอาสาละ่ะกำเหล่งนี่กำเหล่งก็เอาบ้างกำเหล่งก็จริงว่าเล่งทองจะอาสาเอาทหารสามพันมาหนักนะกัปปเจ้าจะขอทหารแต่ร้อยเดียวยกไปทําการเอาชายจะหน้าให้จงได้ นี่ทหารเอกเกิดการถุ่มเถียงแก่งแย่งกันไปอย่างนี้กำเหล่งกับเหล่งทองถุ่มเถียงกันไม่ตกลงได้ซึ่งควรก็จีว่าแก่กำเหล่งว่าอันความคิดและฝีมือทหารโจโจเรื่งใหญ่หลวงนะท้านจะร่วงดูหมิ่นถึงแคนั้นเจ้าทหารไปเพียงร้อยเดียวนะ่ะไม่ได้จงให้เหล่งทองไปเถอะสึ่งควรตัสินดังนี้ แล้วกดจาดแจงถามด้วยเล่งทองสามพันเล่งทองก็ขมับราสุนโกนออกมาคุมทหารไปถึงชายแดนเนื่งขับป่าถูต่อ ก, กันกับแบนเนื่องการตั้งเนี่ยก็พอดีพบกับเตียวเลี้ยวซึ่งเป็นกองหน้าโจโฉเตียวเลียยก็ขับมารําทวนเข้ารบ ก, กับเล่งทองทั้งสองรบกันได้ห้สเพลงยังไม่แพ้ไม่ชนะแกะกัน ทีนี้ข้างฝ่ายซุ่มวเมนะื่อเหร่งทองไปพร้อมด้ยวยฐานสามพัน 3, ตามที่อาสานะ่ะแต่ซุ่มวก็คิดวิตโตว่าเหร่งทองจะเสียทีแกฐานโจโฉซุ่มควรก็จึงให้ลีบองอคือไม่ใช้กำเหล่งนะครับด้่จะไปตัด ก, ก, กันก็นดีก็ให้ลีบองคุ้มหันหนุไปลีบองก็รีบไปพร้อมด้ยวยฐาน ก็ไปพบเล่งทองอ่าผู้รบกับเปียวเลี้วแล้วถอยกลับมาแล้วบลีมองไปพบเล่งทองเข้าก็พากันกลับมาหน้าข่ายยิสุทีนี้ฝ่ายกำเหลิงละ่ะกำเหลิงก็จึงเข้าไปว่าแกสู่นกลัวว่าเวลากลางคืนวันเนี้ยเขาไปเจอจะขอถามแต่ร้อย น, นี่เอาอีกกำเหลิงเอาอีกจะขอถามร้อยเดียว ไปต้นค่ายโจโฉให้ได้แม้เสียทหารแต่ถ้าคนนึงก็ดีหรือเสียมาไปแต่แ ต, ตัวยิงก็ดีอย่าให้ยกความชอบข้าพเจ้าเลยทือเขาทำดีมีความชอบมาไว้แล้วซุนกวนเด็กฟังก็มีใจยินดีอ่ะเขาเห็นีิมือกำเหลงมาแล้วตีเนืองต่วนเสียแล้วก็รู้มาก่อนว่ากำเหล่งจะสิมือดีซุนกวนก็จัดแจงทหารมา ที่มีฝีมือรอยหนึ่งพร้อมด้วยสุราห้าสิไเนืแพสิช่านมอบใแก่กเหลิงกำเหลิงใช้คนแบกชุรารสิ่งของเหล่านั้นมาแล้วก็พาฐานน้ำบมานักาย้กำเหลิงก็ขันเงินตักชุราอินเข้าไปสองขันแล้วก็ร้องประกาศแก่นนบูว่ามัดนี้ นายเราให้ไปต้มข่าโจโฉพวกเจ้าทั้งวงจงช่วยกันทําการให้เป็นมือยิงจะได้ชายชนะทหารจำนวนหนึ่งรอยที่คับรือกมาแล้วว่าอย่างเยี่ยมเมือนะเด็ฟังอย่างนั้นนะต่างคนต่างก็คิดเอคนร้อยมึ้เท่านี้เหรอจะไปต้มข่าโจโฉได้อ่ะ โจโฉนำาหารมาครั้งเนี่ยมันสิบสีหมืน่นมากกว่ากันนีจะเทียบเลยแต่ก็กลมมาเป็นทุกข์อยู่กำเหล็งเห็นฐานของตนเสียน้ำใจฉะนั้นนะ่ะก็ชักกระเบีออกทีเดวแล้วก็พูดแบบตัวกูนะ่ะเป็นถึงนายฐานอีกแต่ก็มีได้รักกับชีวิตกู้มึงเหล่านี้เป็นแต่ฐานลู เทพนายจึงกลัวแต่ความตายแม้ท่ด้ย่อท้อไม่เป็นใจทําการคุณเจ้ากระบีนี้ตักศิษะเสียช่นทุกคนผ่านตั้งวงเดยฟังคำกําหลิงว่านันก็กลัวคือไม่ตายก็ตายตายนยังรอดทางคนต่างก็จิงว่าข้าพเจ้าจะขออาสาไปปล่มค่ายโจโฉให้ได้กําหลิงก็มีความยินดีกาเนียพแพะระสุราะนะั่นแะ ออกแจกจ่าให้แกทหารกินกันทุกคนพบพบขำดำหลิงค่อยเอาขนหานมาปักหมวกพวกทหารทุกคนมีเป็นสำคัญและก็แต่งตัวใส่เกราะผูกม้าเตรียมวัดครั้งเวลายานุดำหลิงก็ขึ้นมาถือทวน พาฐานจำมุนร้อยดูแหละไปชุ่มอยู่ข้างเดินขาวเห็นเห็นได้ทีแล้วก็พาฐานฝ่าความหนามเข้าไปคือการสร้างค่ายนั้นจะต้องปักความหนามเข้าไปรอบนอกก็ฝ่าความหนามเข้าไปเลยโหร้องตังนี้ก็โจมตีต้นค่ายโจโฉแล้วก็จุดเพิงเผาค่ายคือเป็นหลายตํำบล ที่เข้าไปเขาทำกระนาดที่ฐานโจโฉไม่รู้ตัวแล้วก็ไปจำนวนน้อยอ่ะม่นจะจำนวนมา ก, ากทั้ ง, งนั้นเหลืงทั้งร้อยนี่นั่นอะไร่คาบฟันฐานโจโฉลไปไป้มตายเป็นอันมากเอาเพลอยจุดเผาค่ายโจโฉขึ้นเป็นหลายค่ายหลายที่หลายตำบลโจโฉและฐานน้ำพวงตีนกระหนกตกใจแตกหนีกันเป็นคนละมานที่เหยียดกันป่วยเจ็บล้มตายไปหลายคนทีเดียว ควรให้กำหลิงไปด้วยฐานหนึ่งร้อก็เป็นห่วงเป็นธรรมดาสึ่งควรก็เสนงให้กีนไท้เคุมฐานหมุนกำหลิงมาด้วยหวังจะได้ช่วยกันแล้วก็จะได้ป้องกันกำหลิงด้วยเมื่อขณาที่กำหลิงนําำฐานทั้งร้อยคนของตนขับบวกโจมตีข่าใหญ่โจโฉเผาข้ายเป็นชัวมุ่นขึ้นแล้วฐานโจโฉหนีกระตัดกระจายวุ่นวายนั้น ทหารจํานวนร้อยหนึ่งของกำเหลิงนะ่ะไม่ได้เป็นอันตรายแต่สักคนมาก็ไม่ได้เป็นอันตรายแต่สักตัวกำเหลิงพาทหารจำนวนร้อยของตนนั้นกลับออกมาจากค่ายของโจโฉคือไปเผ า, ท, าเทําลายกั่นั้นเองกลับออกมาก็มาพบกีดท่ายินดีก็ชวนกันกลับมาขณะนั้นโจโฉหนีไปซุ่มฐาน ไ, ได้แล้ว แต่ครั้งจะยกติดตามไปหรือก็เกิเหมือนกันไม่รู้สึกควรจะทำอย่างไรบ้างมีหรือจะส่งฐานร้อยเรียวมาทำการอย่างนี้เท่านั้นเนี่ยโจโฉผู้ทามานในการสงครามเนี่ยต้ น, น่ะทมากคิดมากก็คิดมากเหมือนกันว่าสุนควรจะทำการมากกว่า น, นี้เกยนว่าสุนควรจะส่งฐานอีกก็ไม่กลา้าโจโฉไม่กลา้า ก็เดี๋ยวให้รวบรวมตั ว, ร ว, รวตราฐา น, นะพวงของตนอยู่เท่านั้นทนี้ฝ่ายกำเหล็งจีทไทยกลับมาถึงค่ายนะก็พอดีเป็นเวลารุ่งเชา้าซึ่งควรรู้ข่าวว่ากำเหล็งไป ต, ต้นค่ายโจโฉเผาค่ายทําลายค่าสึดได้เป็นคนจนเด็กก็มีใจยินดีให้ฐานตีคลองกลองมารออึ้งออึอกันหนึ่งเลยทีเดียวเป็นการต้อนรับให้เกี้ยฐานอีก แค่สุนควรไ้ออกไปรับกําเหลงถึงนอกค่ายกำเหล่งเห็นสุนควนออกมารับก็ลงจากหลังม้าก็ไปขํานับอยู่สุนควรก็ไปยุดมือกําเหลงและก็พากลับมาค่ายนี่เป็นการให้เกียรติแก่แม่ทัเอกอย่างมากด้วยเข้มาในค่ายแล้วสุนควรก็จึงว่าท่านอาสาครั้งเนี้ทำให้เอกสัตวรูเท่าตกใจ เสียฐานกันห น, นมากคือคือซึ่งควร น, นี่อยู่ในวัยชักตันเท่านั้นนะครับโจโฉนี่อยู่วัยสูงาอายุแล้วอ่าซึ่งควร น, นี่ต้องเล่าว่าเป็นรุ่นก็个高高卢努路โจโฉหละ่ยซึ่งควรบอกํากเหล่งถนัดสาไปวําการครังเนี่ยทําให้อสัสรูเท่าตกใจเสียฐานเป็นอันมากตัวเรานะี่ยไม่ใช่จําไม่รักท่านนั้นหาไม่ได้แต่คิดว่า จะให้ถานทั้งปวงปลาอดในฟนิ้นมือท่านไว้เราจรึงได้กิลท้ายุมฐานหมุนไปช่วยและสู้กลัวนั้นก็เรียกเอาดาบอย่างดีร้อยเล่นแพ้อย่างดีพันพับจํานวนหนึ่งพันพับมาหมอห้อแก่กามเลงเป็นบังเนักกรมเหลงก็ทำมาปราบเอาสิ่งของท่านนั้นมาและโดยเฉพาะดาบอย่างดีร้อยเล่นนะ่ะก็แจกให้แก เกเหลืกเราฐานคู่ใจร่วมใจจำนวนร้อยคนนั้นแม้แต่ผ้าอย่างดีเหล่านั้นก็แจกจ่ายกันไปทุกคนละ<อ>สุกวนเห็นหนึ่งนั้นก็ยิงมีความยินดีผิดกรรมเหลงมีน้ำใจกว้างขวางไม่ได้เอาของนี้ว่าเป็นประโยชน์ตนแต่ผู้เดียวข้านฝ่ายโจโฉนั้นสุกวัวนก็จึงพูดว่าโจโฉนั้น ก็ได้เตียวเลี้ยวไว้เป็นฐานเอกเราได้กำเหล่งไว้เป็นฐานเอกชะนี้ก็พอจะสู้กับเตียวเลี้ยวได้สุนควรภูมิใจในกำเหล่งเป็นอย่างมากทีเดียวครุงเวลารุ่งเช้าข้างฝ่ายโจโฉน่ะก็ให้เตียวเลี้ยวมีเตียงหักจิตอุหมานไปร้องท้าพายถึงหน้าข่ายสุนควน คือข่ายต้นที่ถูกเผาทหารตุ้มที่ถูกทำลายนันก็เป็นส่วนนึงเท่านั้นเองไม่ถึงก็ศูนย์เสียหมดทั้งกองทัพถึงผ่าแพ้นั่นมิใช่ก็ฐานจำนวนร้อยเดียวจะทำลายได้มากมายกันแค่ไหนลุกช้ามีโจโฉทรงสองเอะสารฐานเสยงมาทารบเลยเหล่งทองเหล่งทองอ่าต้องเรียกว่าศัตรูคู่แค่กับกำเหลิง เล่งทองอาสาฐานสามพันไปทาลายโจโฉก็ทาไม่ได้หมัดนี้กําหลิงเข้าฐานร้อยเดียวไปก้นขาโจโฉสาเร็จและขณะ น, นี้โจโฉส่งหามาทารกเนี่ยเล่งทองเล่งทองกับคลิปเดีย ว, วตัวกูเนี่ยเป็นอริทูอากาดอยกับกำเหลิงบมัดนี้กำเหลิง ไปทำการมีความชอบมาเป็นหลายครั้งแต่ครั้งออกตีเมืองอ้วนเสียก็มีความชอบจำกูจะต้องอาสาออกไปรบ ก, กับเตียวเลี้ยวให้มีความช อ, อมบเสมอแต่กำเหลงให้จนได้มีเล่งทองคิดจะนี่แล้วก็วาดะต่ซื่งเกลือนว่ า, ววาข้าพเจ้าจะขออาสาไปรบให้เตียวเลี้ยวแต่ ไ, ได้จนได้สื่อเกลืนก็ ม่กาเล่งทองห้าพันเล่งทองก็คุมบานยกออกจากค่ายปัดเล่งทอง คุณฐานออกไปสึ่งกวนเนี่ยก็พากำเหลงและฐานนวงออกไปด้วยหวังจะดูเล่งทองรบกับเตียวเลียวนี่งก็ทำจัดกล่าวไปมันเป็นการสแสดงอย่างหนึ่งการสู้รบกันนี่ก็เป็นที่เป็นที่มาทอดทัศนายิ่งมักละก็เหมือนอย่างตอนที่เตียวหุยรบกับมาเฉียวนะถึงฐานจุดคบเพลิง สว่างสวยดูตัวนายทั้งสองสู้รบกันนะมันก็เป็นการต่อสู้ที่น้าดูน่าตื่นเต้นนี่ก็คงจะเช่นเดียวกันแหละสุ่ควรนี่ก็พากรรมเล่ง์านออกไปไปดูสิข้างฝ่ายเล่งทองอันนี้ต้องจำให้ดีนิดนึ่งเล่งทองผู้มีความอาฆาตก็ขับมากขึ้นมาฐานทั้งตวงปลายทีเดียวก็เห็นนี้เตี้ยงหนักจริง อสองทหารยืนขนาเดเตียวเลี่ยวอยู่ซ้ายขวา เ, วเดีวยวเตียวเลี้ยวนี่เป็นฐันเอกฐานใหญ่ละมีเตียงนักกินขนาดซ้ายขวาเร่งทองก็กระปรูมมาขึ้นไปทีเดียวแล้วก็ร้องว่าเตียวเลี้ยวเลือกท่านมาร้องท้าทายแล้วจงเร่งมารบกับเราให้เห็นฝีมือกันไว้แมเตียวเลี้ยวเด็กฝ่ายมันก็ห่างนักกินขับม้าเอาไปรบกับเร่งทอง นักจิ้มก็ออกไปทีเดียวเล่งทองก็กระปุ่มมาปราดเข้ามารบกับนักจิ้มทั้งสองปะสู้กันได้ห้าสเลยยังไม่แพ้ไม่ชนะกันขนาดนั้นโจโฉคุณบานหนุนออกมาเห็นนักจิ้มกับเล่งทองรบกันอยู่โจโฉก็สั่งโจฮิวให้รอบเอาเกาทันยิงเล่งทองเพื่อจะช่วยนักจิ้มทหารของตนน่ะ โจฮิลี่ฟิมือเกาทันดีรุนแรงนรักลบะทรงพลังอยู่ทีเดียวโจฮินี่เป็นขุนทหารร่วมแฝกกับทรงพลังผู้หนึ่งของโจโจก็เกาทันเอากเกาทันพากสายเมากเกาทันียิงไปทีเดียวแต่ว่าลูกเกาทันเนี่ยคือขนาดที่รบหมีก็ต้องโลดเล่งเต็งอยู่บนหลังม้าม้าก็เต็งพยองสู้รบกันอยู่น่ะเกาทันเนี่ยก็พลาดจากเล่นทองแต่ว่า ถูกเข้าที่มาของเล่งทองสิมาเมื่อถูกก้าวทันเขามันก็เจ็บปว ด, ดร้าสาหัส ก, ก็ตกใจเพ่งไปย้อนสมบัติเล่นทองพลัดตกจากหลังมาอยู่กลางดินอย่างนั้นเองนักกีฬเห็นดึกดงก็ขับมาไปเอาทนุนแทงเล่งทองคือจะเอาทวนต่อก็จะเทนแทงเล่งทองกับที่เหล่งทองตกจากหลังมาอยู่กลางดิงนนี่กำลิงนี่กำลิง กำเหลิงนี่ผู้ที่ถูกเรื่องทองพยาบาทนี่แหละแต่กำเหลิงต้องกล่าวว่ายันกำเหลิงนี่จิตใจกระเสิร์ตนะไม่ยอมให้เลื่องทองตายด้วยอาวุธศัตรูนำเหลิงยิงรวดเร็วนะปศัรรตรูท่านกลางห้องปนโวกเขาท่นป้าสายยิงไปทันทีเลยกำเหลิงนี่ฝีมือแน่นยํากว่าอะกำเหลิงนี่อดีตโจสรสลัดทางน้ำคือมีเกาทันเยี่ยมทีเดียว ลูกเกาทานันัดถูกน้าผาหนักกินเขานาเ้าพันหนาหงายตกจากหลังมาลงไปทหารทั้งสองฝ่ายมาเห็นเช่นนี้เข้าแล้วดิคือแต่แต่แร่ตัวมาต่อตัวมารบกันเอาบันนิชรามุนนั่งกโกเฮโรสารพารบกันเป็นสนาันวันไหวทั้งสองฝ่ายแหละคือต่างเข้าต่างพวกหนักกินพวกโจโฉก็ขับมากันนักกินพวกสืบป่วนก็เข้าไปช่วยเล่งทองกันกันออกมาจากที่รบได้ นาก็แปลว่าเลิกลากันไปสุนกวนก็บอกกันเล่งทองว่าเล่งทองเม่ม้าท่านถูกเกาวทันข่าสุดเพ็งพยศจนท่านตกจากหลังม้าลงมานังมีสุนกวนพยายามบอกชี้ให้เข้าใจว่ากำเหลงช่วยเหลืองเล่งทองเนี่ยเมื่อไหร่